พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายติกานิบาต ท, ทุติยปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่สองในหมวดหวด้าสิบนี้คงมีห้าวักวักละประมาณสิบสูตรเช่นเดียวกับหมวดห้าสิบที่แล้วมาวักทั้งห้าคือหนึ่งพรามนวักว่าด้วยพรามสองมหาวัก ว่าด้วยเรื่องใหญ่สอนันทวัคว่าด้วยพระอานนท์สสมณวัตว่าด้วยสมณะหโลนะพละวัตรว่าด้วยเมล็ดเกลือท่านผู้อ่านจะสังเกตได้ว่าในหมวดห้าสิบที่หนึ่งย่อไว้ค่อนข้างพิสดารพอถึงหมวดห้าสิบต่อไปก็ย่อสั้นลงไปอีกดังที่เป็นมาแล้วในทุกกานิบาท ชุมนุมธรรมะที่มีสองข้อในติกนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสามข้อนี้ก็จะทำเช่นเดียวกันย่อความที่หนึ่งพรามนวัคว่าด้วยพรามตรัสสอนพรามชราอายุประมาณ120ปีสองคนที่มาเฝ้าขอให้ทรงสั่งสอนจึงตรัสว่าโลกอันความแก่ ความเจ็บความตายนําเข้าไปใกล้จึงควรสํารวมทางกายวาจาใจเพื่อเป็นเครื่องต้านทานเป็นที่เร้นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของผู้ที่ละโลกนี้ไปและทรงสอนพราหม์ชราสองคนในทํานองเดียวกันเป็นแต่แสดงว่าโลกร้อนคือลุกเป็นไฟเพราะความแก่ความเจ็บความตาย ตรัดตอบปัญหาของพรามผู้หนึ่งเรื่องธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองหรือสันทิตทิกะไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันผู้รู้พึงทราบจำเพาะตนโดยชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนกำหนัดแล้วคิดประทุษร้ายแล้วหลงแล้วย่อมคิดเบียดเบียนตนคนอื่นทั้งตนทั้งผู้อื่น ได้ประสบความทุกขโทมนั์เมื่อละราคะโทสะโมหะได้ก็ไม่เป็นเช่นนั้นและนี่แหละคือธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นต้นตรัสตอบปัญหาของพราหมณ์ปริพาชกผู้หนึ่งเรื่องธรรมะที่เห็นได้ด้วยตนเองเป็นต้นโดยชี้ไปที่ราคะโทสะโมหะเช่นเดิม เป็นแต่ย้ายสัมนวนว่าผู้กำนัดแล้วคิดประทุษร้ายแล้วหลงแล้วย่อมคิดเบียดเบียน ด, ดังกล่าวข้างตน้นย่อมประพฤติชุจริตทางกายวาจาใจย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งของตนทั้งของผู้อื่นตามความเป็นจริงตรัสตอบปัญหาของชานุสัตโธนิพาม เรื่องนิพพานที่เห็นได้ด้วยตนเองสันทิษทิกะไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูเป็นต้นโดยชี้ไปที่การที่บุคคลถูกราคะโทสะโมหะครอบงำจิตย่อมคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือคิดเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นดังกล่าวข้างตน้นตรัสตอบปัญหาของพระมหาศารคนหนึ่ง ถึงเรื่องความเสื่อมของมนุษย์และบ้านเมืองโดยชี้ไปที่การที่มนุษย์ยินดีในอาธรรมโลภอย่างไม่เลือกทางคือวิสมะโลภะมีธรรมะที่ผิดนำทางตรัสตอบปัญหาของวัชโคตรปริพาชกผู้ได้ฟังมาว่าพระองค์สอนให้ถวายทานแก่พระองค์และสาวกของพระองค์เท่านั้น ไม่ควรให้แก่ผู้อื่นและสาวกของผู้อื่นทานที่ถวายแก่พระองค์และสาวกของพระองค์มีผลมากที่ให้แก่ผู้อื่นและสาวกของผู้อื่นไม่มีผลมากตรัสปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงผู้ใดห้ามผู้ให้ทานผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่คนสามประเภทคือแก่ผู้ให้แก่ผู้รับ และทำลายตนเองก่อนแล้วตรัสว่าผู้ใดเทน้ำล้างถาดหรือน้ำล้างชามลงในน้ำครัมหรือในหลุมโสโครกด้วยคิดว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนั้นจะได้อย่างชีพก็ยังได้บุญจึงไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานแก่มนุษย์แต่ตรัสว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากให้แก่ผู้ทุศีลม่มีผลมาก ทานที่ให้แก่ผู้ละองห้าคือนิวรกิเลสอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุ ค, ความดีห้าผู้ประกอบด้วยองห้าคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะทานที่ให้แก่ผู้ละนิวรห้าและผู้ประกอบด้วยองคหานี้มีผลมากตรัสแสดงธรรมแก่ติกันพราหมณ์ ผู้สันเรินพรามผู้รู้วิชาสามคือพระเวททั้งสาโดยอธิบายวิชาสามในพระพุทธศาสนาคือปุเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติได้จุดตูปปตาตยานเห็นความตายความเกิดหรือมีทิพยจักสุและอาสวะขยะยานยานอันทำรรอาสวะให้สิน้นทรงแสดงธรรมแก่ชานุสโสนิพราม โดยอธิบายเรื่องวิชาสามในพระพุทธศาสนาดังกล่าวข้างต้นต่างจากพระเวททั้งสามของพราหมณ์ทรงแสดงธรรมแก่สังคาระวะพราหมณ์เรื่องการบูชายันและปฏิหารสามคืออิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหารดักใจทายใจได้เป็นอัศจรรย์และอนุสาสนีปาฏิหาร สั่งสอนเป็นอัศจรรย์เมื่อตรัสอธิบายและตรัสถามให้พรามตอบพรามก็ตอบแสดงความพอใจในอนุสาสนีปาฏิหารคือการสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ว่าดีงามกว่าปราณีตกว่าย่อความที่สองมหาวัฏว่าด้วยเรื่องใหญ่ ทรงแสดงติดตะทายตะนะคือลัทธิศาสนาลัทธิเดียรถีสามประเภทคือถือว่าสุขทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่บุคคลสวยทั้งปวงเกิดขึ้นหนึ่งเพราะเหตุที่ทำไว้ในการก่อนสองอิสระนิ ม, มาในเหตุเพราะพระผู้เป็นเจ้าบรนดาล 3. เพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย ทรงค้าลทัทธิศาสนาทั้งสามนั้นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นที่บุคคลประพฤติจริตทางกายวาจาใจก็คงจะเนื่องมาจากเหตุทั้งสามประการนี้แล้วทรงแจกธาตุหกอายตนะหกมโนปวิจารสิบคือความท่องเที่ยวไปแห่งใจในอารมณ์หกมีรูปเสียงเป็นต้นซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสโทมนัสอุเบขา จึงเป็น18คืออารมณ์6คูณด้วยเวทนาสเท่ากับ18และยังทรงแจกแจงอริยสัจสซึ่งมีข้อน่าสังเกตในการอธิบายอริยสัจส่ทรงอธิบายอริยสัจสข้อที่1กับที่สคือทุกข์กับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามแนวทั่วๆไปแต่อริยสัจข้อที่สองกับที่สาม คือทุกขสมุทยัยทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดตลอดสายว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนทุกขนิโรธะหรือทุกขนิโรธทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสายดับตลอดสายว่าเป็นความดับทุกข์ทรงแสดงอมาตาปุตติกภัยคือภัยที่แม่ลูกพลัดกันตามความเข้าใจของปุตุชน ซึ่งหมายถึงคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสว่าได้แก่ไฟไหม้น้ำท่วมโจรปล้นและส่งชี้ว่าบางครั้งแม่ลูกก็พบกันได้ส่วนภัยที่แม่ลูกพลัดกันคือความแก่ความเจ็บความตายซึ่งแม่หรือลูกจะปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ แล้วทรงแสดงมัชมีองค์8ดว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อละเพื่อก้าวล่วงไัยทั้งสามนี้ตรัสตอบคำถามของพราหมครอหาบดีชาวบ้านพราหมชื่อเวนาคภุรัชผู้เห็นอินทรีและพระชวีวันของพระผู้มีพระภาคบริสุทธิ์ผ่องใสจึงกราบทูลถามว่าทรงใช้ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่มีอาสันติ บัรลังเป็นต้นได้ตามต้องการใช่หรือไม่ทรงชี้แจงว่าที่นั่งหรือที่นอนสูงใหญ่แบบนั้นไม่สมควรแก่สมณะแต่มีอยู่สามอย่างที่ทรงได้ตามต้องการคือที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ที่เป็นทิพย์อันได้แก่การเข้าฌานสี่ที่เป็นพรหมอันได้แก่การเจริญพรหมวิหารสีมีเมตตาเป็นต้น ที่เป็นอริยะอันได้แก่การละราคะโทสะโมหะตรัสปรารพสรระปริภาชกผู้เข้ามาบวชแล้วหลีกไปจากพระธรรมวินัยเที่ยวอวดอ้างว่าตนรู้ทั่วถึงธรรมะของสมณะสักยะบุตรแล้วเมื่อรู้ทั่วถึงแล้วจึงหลีกไปจากพระธรรมวินัยนั้น พระผู้มีพระภาคจึงเสด็จไปยังอารามของปริพาชกถามให้สารพะปริพาชกตอบในที่ประชุมปริพาชกว่ารู้ทั่วถึงธรรมะของสมณะสักยะบุตรอย่างไรถ้าบวกพร่องก็จะช่วยเติมให้ตรัสถามถึงสามครั้งสารพะปริพาชกก็ไม่ตอบนางนิ่งเก้อเขินก้มหน้าจึงตรัสว่า ผู้ที่พูดโอ้อวดเช่นนี้เมื่อตรัสสอบถามเข้าก็มีทางไปอยู่สามทางคือหนึ่งพูดเลี่ยงไปเลี่ยงมา 2. แสดงอาการโกรธเคือง 3. นั่งนิ่งเก์เขินก้มหน้าตรัสแสดงธรรมแก่ชาวนิคมเกศาปุตตะแควนกาลามะผู้ทูลถามถึงสมณพราหมณ์ต่างๆ ที่ยกย่องวาทะของตนข่มผู้อื่นตรัสสอนไม่ให้เชื่อดังนี้ 1. โดยฟังตามกันมา 2. โดยนำสืบกันมา 3. โดยตื่นข่าวลือ 4. โดยอ้างตำรา 5. โดยนึกเดาเอา 6. โดยคาดคะเน 7. โดยตรึกตามอาการ แดโดยพอใจว่าชอบแก่ความเห็นของตน 9. โดยเห็นว่าพอเชื่อได้ 10. โดยเห็นว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราตรัสสอนไม่ให้เชื่อดังนี้แต่ให้สอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วตรัสถามให้เห็นจริงในโทษของความโลภความคิดประทุษร้าย ความหลงและคุณของความไม่โลภไม่คิดประทุษร้ายไม่หลงตรัสเรื่องการเจริญพรหมวิหารสี่คือเมตตาม่ตรีจิตคิดจะให้เป็นสุขกรุณาสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่ริษยาอุเบกขาวางใจเป็นกลางและแสดงว่า ผู้มีจิตไม่ผูกเวรไม่พยาบาทไม่เศร้าหมองมีจิตบริสุทธิ์ย่อมวางใจหรือเบาใจสบายใจได้สี่อย่างคือหนึ่งถ้าผลของความดีความชั่วมีตนก็จะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะตนทำความดี2ถ้าผลของความดีความชั่วไม่มีก็รักษาตัวให้มีความสุขได้ในปัจจุบัน สถ้าทำบาปเป็นอันธทมตนไม่ทำบาปก็คงจะไม่ประสบทุกข์ 4. ถ้าทำบาปไม่เป็นอันธรรมก็เห็นตัวเองว่าบริสุทธิ์ทั้งสองทางคือไม่ว่าจะทางทำบาปเป็นอันธรรมหรือทำบาปแล้วไม่เป็นอันทรรมตนก็ไม่มีข้อเสียหายทางไหนเลย ชาวกาลามะกราบทูลเห็นด้วยกับความวางใจหรือความอุ่นใจสี่ประการเกี่ยวกับโลกหน้าของผู้มีจิตอันไม่ผูกเวรเป็นต้นคือหนึ่งถ้าโลกหน้ามีถ้าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีก็มีฐานะอยู่ที่เราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สองถ้าโลกหน้าไม่มีถ้าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี เราก็บริหารตนให้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขได้ในปัจจุบัน 3. ถ้าทำบาปเป็นอันรำรเราไม่ได้ทำบาปก็คงจะไม่ได้รับทุกข์ 4. ถ้าทำบาปไม่เป็นอันรำรเราก็มองเห็นตัวเองบริสุทธิ์ทั้งสองทางพระนันทกักแสดงธรรมสอนสาระหะ หลานมีคาระเศรษฐีและโรหณนะหลานเปนกุนิยะเศรษฐีพระนันธกะั์แสดงธรรมสอนไม่ให้เชื่อตามที่ฟังกันมาเป็นต้นคล้ายคลึงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนชาวกาลามะต่างแต่แสดงโลภคู่กับอภิชาโทสะ ค, คู่กับพยาบาทโมหะคู่กับอวิชชาว่าเป็นพวกเดียวกันในคู่นั้นๆ แล้วแสดงถึงข้อปฏิบัติพรมวิหารสี่มีเมตตาเป็นต้น จ, นจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะนิพพานได้ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงเรื่องกถธาวัตถุคือเรื่องของคำพูดสามอย่างคือถ้อยคำที่ปรารภอดีตอนาคตและปัจจุบันแล้วเรื่องบุคคลผู้กวนพูดด้วย ไม่ควรพูดด้วยพึงทราบด้วยการเผชิญถ้อยคำคือปัญหาที่ควรตอบแง่เดียวควรตอบแยกตามเหตุผลคือหลายแง่ควรย้อนถามหรือควรระงับไว้ไม่ตอบถ้าบุคคลไม่ตอบตามที่ควรก็ไม่ควรพูดด้วยถ้าตอบตามที่ควรก็ควรพูดด้วย นอกจากนั้นยังทรงแสดงผู้กวนพูดด้วยไม่กวนพูดด้วยที่มีลักษณะอื่นๆ อ, อ, อีกตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าถ้านักบวชลัทธิอื่นถามว่าราคะโทสะโมหะต่างกันอย่างไรพึงตอบว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมาก และคลายช้าสุภานิมิตหรือเครื่องหมายที่สวยงามทำราคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นปฏิฆานิมิตเครื่องหมายที่ทำให้ขัดใจทำโทสะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นระโยนิโสมนสิการ การไม่ทำไว้ในใจคือไม่พิจารณาโดยแยบคายทำโมหะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นทรงสแสดงโลภะโทสะโมหะว่าเป็นอกุศลลมูลคือมูลรากแห่งอกุศลสรงสแสดงว่าอโลภะอโทสะอโมหะว่าเป็นกุศลละมูลมูลรากแห่งกุศล ทรงแสดงธรรมแก่นางวิสาขาเรื่องอุโบสถสมอย่างคือโคปาลัพอุโบสถอุโบสถหรือการรักษาศีลหรือจำศีลแบบคนเลี้ยงโคได้แก่การรักษาอุโบสถ ด, ด้วยความโลภคิดแต่จะกินสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนคนเลี้ยงโคคิดแต่เรื่องการหากินของโคอย่างที่สองคือนิคันธาอุโบสถ อุโบสถของนักบวชพวกนิครนได้แก่อุโบสถแบบนิครนคือชักชวนให้เว้นจากฆ่าสัตว์เจาะจงอุทิศเจาะจงบางประเภทไม่นุง่งผ้าด้วยคิดว่าหมดกิเลส ช, ชักชวนให้พูดปดในสมัยที่กวรชักจูงให้พูดจริงบริโภคของที่ไม่มีผู้ให้คือไม่ได้ประเคนในเวลารุ่งเช้าอุโบสถทั้งสองแบบนี้ ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากส่วนอุโบสถประเภทที่สามคืออริยะอุโบสถอุโบสถแบบพระอริยะเจ้าได้แก่เพียรชำระจิตที่เศร้าหมองด้วยความพยายามและระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ระลึกถึงศีลของตน ระลึกถึงคุณที่ทำให้เป็นเทวดาและพิจารณาองค์อุโบสถทีละข้อซึ่งตนตั้งใจรักษาคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเทียบกับพ ร, ระอรหันต์แล้วตรัสแสดงอนิสงค์ของอริยะอุโบสถว่ามากยิ่งกว่าการครองราชในชนบททั้งสิบหก ย่อความที่สามอานันทวัตรว่าด้วยพระอานนท์พระอานนท์โตตอบกับฉันทะปริภาชกอธิบายการละราคะโทสะโมหะพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเพื่อละให้ฟังปริภาชกกล่าวชมเชยพระอานนท์โตตอบกับขรืหาบดีคนหนึ่งผู้เป็นสาวกของอาชีวก พุ้ถามว่าใครกล่าวธรรมะไว้ดีแล้วใครปฏิบัติดีในโลกใครเป็นพระสุคตคือผู้ไปดีในโลกพระอานนท์ถามว่าผู้ใดแสดงธรรมะเพื่อละราคะโทสะโมหะผู้นั้นจะชื่อว่ากล่าวธรรมะไว้ดีแล้วหรือไม่ตอบว่ากล่าวธรรมะไว้ดีแล้ว ถามว่าผู้ใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติดีในทางโลกหรือไม่ตอบว่าใช่ถามว่าผู้ใดละราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระสุคตในโลกหรือไม่ตอบว่าเป็นพระอานุ์จึงตอบสรุปว่า เป็นอันท่านตอบปัญหาของท่านด้วยตนเองแล้วขเขารหาบดีสาวกของอาชิว ก, ก็ชมเชยว่าแสดงธรรมไม่ยกตนไม่ขมผู้อื่นจึงแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคทรงหายประชวนจากไข้ไม่นานนักมหานามสักยะคือพี่พระอนุรุธเทระ มีสักเป็นน้องพระผู้มีพระภาคเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามปัญหาเรื่องสมาธิกับฌานอย่างไหนจะเกิดก่อนพระอานนท์เกรงจะเป็นการรบกวนพระผู้มีพระภาคจึงจับแขนชวนมหานามสัสกยะไปสนทนากันที่อื่นแล้วกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาไว้ทั้งอย่างที่เป็นเสขะ หมายถึงพระอริยะเบื้องต้นขึ้นไปแต่ยังไม่สําเร็จเป็นอรหันต์ทรงแสดงศีลสมาธิปัญญาไว้ทั้งอย่างที่เป็นเสขหและทั้งที่เป็นอเสขหคือที่เป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งแสดงรายการเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเสขหพระอานน์แสดงธรรมแก่เจ้าลิชวีสององค์คืออภัยยะ กับบัณฑิตากุมาระกะผู้เล่าถึงเรื่องนิโครนธนาตบุตรผู้ปฏิญญาถึงญาณทัศนะของตนว่ารู้รอบไม่มีส่วนเหลือไม่ว่าจะเดินยืนหลับตื่นญาณทัศนะจะปรากฏติดต่อสมบูรณ์ตลอดเวลานิโครนธนาตบุตรนั้นบัญญัติความสิ้นสุดแห่งกรรมเก่าด้วยตะบะักคือความเพียรทรมานตนการชักสะพาน หรืองดเว้นเลิกทำกรรมใหม่ด้วยการไม่ทาเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์จึงสิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาความทุกข์ทั้งปวงจึงหมดสิ้นไปความก้าวล่วงทุกข์ย่อมมีได้ด้วยความบริสุทธิ์อันไม่เสื่อมโทรมเห็นได้ด้วยตนเองดังนี้ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระอานนท์ตอบว่า พระผู้มีพระภาคแสดงนิชราวิสุทธิคือความบริสุทธิ์อันไม่ชราไม่เสื่อมโทรมสามประการเพื่อดับทุกข์เพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานคือภิกษุตั้งอยู่ในศีลหรือปาติโมกเจริญฌานสีสมบูรณ์ด้วยสมาธิทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบัน สองมานพ ก, ก็ชื่นชมพาษิท์ของพระเทระพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงธรรมแก่พระอานุ์ว่าท่านทั้งหลายจงอนุเคราะห์ญาติมิตรสายโลหิตให้ตั้งอยู่ในความเชื่ออันไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยพระผู้มีพระภาคทรงตอบคำถามของพระอานุ์ผู้กราบทูลถามเรื่องเหตุที่ให้มีพบคือความมีความเป็น โดยทรงชี้ว่ากรรมเป็นนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชตรัสชมเชยพระอนุนว่าเป็นพระเสกขยกที่จะมีผู้เสมอในทางปัญญาเมื่อตรัสถามถึงศีลรส พ, พรมจร์เป็นต้นว่ามีแก่นสารมีผลทุกอย่างหรือพระอนุนตอบแบ่งว่า อย่างไหนเมื่อเสพเข้าอากุศลธรรมเจริญอย่างนั้นก็มีแก่นสารมีผลตรัสตอบคำถามของพระอานน์เรื่องกลิ่นที่ไปได้ทั้งตามลมและทวนลมโดยทรงชี้ไปที่กลิ่นศีลตรัสแสดงธรรมแก่พระอานน์เรื่องมีโลกธาตุขนาดเล็กจำนวนพันขนาดกลางจำนวนสองพัน ขนาดใหญ่จํานวนสามพันมีพระจันทร์พระอาทิตย์จํานวนพันพันสำหรับข้อนี้นักดาราศาสตร์คงจะพอเข้าใจที่พบว่าหลักฐานเมื่อสอง0ันปีมาแล้วแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงว่ายังมีโลกอื่นมีพระจันทร์พระอาทิตย์อื่นอีกมากหมายเหตุผู้อ่านและยังทรงตรัสอีกว่า โลกนี้มีสันฐานกลมเหมือนผลมะขามป้อมนั่นแสดงให้รู้ว่าพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งรู้ว่าโลกนี้กลมในขณะที่ทั่วโลกตอนนั้นเข้าใจว่าโลกแบนและวิทยาศาสตร์เพิ่งมาพิสูจน์ได้หลังพระพุทธองค์ตรัสไว้ถึงสองพันกว่าปีว่าโลกกลมย่อความที่สี่สมณวัต ว่าด้วยสมณนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงกรณียกิจของสมณนะคือการสมทานอธิศิลอธิจิตและอธิปัญญาอธิกถาอธิบายคำว่าอธิศิลอธิจิตอธิปัญญาไว้หน้าฟังมากคือกล่าวว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย จิตที่ประกอบด้วยคุณธรรมคือสมาธิและปัญญาความรอบรู้นั่นเองถ้าจะรู้ว่าเป็นอธิคือยิ่งก็ให้ตั้งเกณฑ์ศีลจิตหรือปัญญาธรรมดาแล้วเทียบกับศีลจิตปัญญาที่สูงกว่าอันที่สูงกว่าก็เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเช่นเมื่อเทียบกับศีลห้าศีลสิบก็เป็นอธิศีล เมื่อเทียบกับศีลสิบปาริสุดที่ศีลก็เป็นอธิศีลเมื่อเทียบกับโลกิยะศีลโลกุตระศีลก็เป็นอธิศีลเมื่อเทียบกับกามาวะจรจิตรูปาวะจรจิตก็เป็นอธิจิตเมื่อเทียบกับรูปาวะจรจิตอรูปาวะจรจิตก็เป็นอธิจิตดังนี้เป็นต้นแสดงธรรมเรื่องลาเดินตามหลังโค ร้องว่าฉันเป็นโคฉันเป็นโคแต่สีกายเสียงและรอยเท้าก็ไม่เหมือนของโคฉันใดภิกษุบางรูปที่เดินตามหลังภิกษุสง์กล่าวว่าฉันเป็นภิกษุฉันเป็นภิกษุแต่ความพอใจในการสมาทานอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาของภิกษุนั้นย่อมไม่เหมือนของภิกษุเหล่าอื่นจึงได้แต่ตามหลังเท่านั้น ตรัสแสดงเรื่องกิจที่ควรทำก่อนของผู้ครองเรือนที่เป็นชาวนาสามอย่างคือ 1. ไถ่พื้นให้ดี 2. ปลูกพืชโดยการอันสมควร 3. ไข่น้ำเข้านาหรือนำน้ามาโดยสมัยอันสมควรทรงเปรียบเทียบด้วยกิจที่ควรทำก่อนของภิกษุสามอย่างคือการสมาานอธิจิต อธิศินอธิปัญญาตรัสสอนภิกษุวัชีบุตรผู้ปรารภว่าสิกขาบทห5 0เท่าที่บัญญัติไว้ในครั้งนั้นแต่ต่อมายังทรงบัญญัติไว้มากกว่านั้นซึ่งมาสู่อุเทกสะหรืออุเทธทุกกึ่งเดือนคือที่สวดปาติโมกทบทวนการทุกกึ่งเดือนคือตรัสสอนภิกษุวัชีบุตรผู้ปรารภว่าสิกขาบทที่สวดปาติโมก กันทุกเกือเดือนมากไปไม่สามารถจะรักษาได้พระองค์ตรัสถามว่าเธอจะสามารถศึกษาในสิกขาสามคืออธิศิลัสิกขาอธิ จ, จิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาได้หรือไม่เมื่อกราบทูลตอบว่ารักษาได้จึงตรัสว่าเมื่อเธอศึกษาอธิศิลเป็นต้นแล้ว ก็จะละราคะโทสะโมหะได้ไม่ทำไม่เสกอกุศลตรัสตอบคำถามของภิกษุรูปหนึ่งเรื่องพระเสข่าว่าได้แก่ผู้ศึกษาอาธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาตรัสแสดงว่าพระโสดาบันเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิ ทำพอประมาณในปัญญาแต่ก็อาจต้องอาบัตเล็กน้อยได้ตรัสแสดงว่าพระโสดาบันมีสามประเภทคือเพราะสิ้นสังโยชนจึงจะท่องเที่ยวไปในเทพและมนุษย์อย่างมากเพียงเจ็ดครั้งก็ทำที่สุดทุกข์ได้ 2. ท่องเที่ยวไปสู่สองถึงสมสกุลหมายถึงสองถึงสชาติก็ทำที่สุดทุกข์ได้ 3. เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวก็ทำที่สุดทุกได้ทรงสแสดงพระสะกัธาคามีพิเศษออกไปว่าเพราะสิ้นสังโยศสามและเราะมีราคะโทสะโมหะน้อยลงกว่าพระโสดาบันจึงจะมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวแล้วทำที่สุดทุกได้ทรงสแสดงพระอนาคามีว่า ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำอประมาณในปัญญาเพราะสิ้นสังน่งยศห้าซึ่งเพิ่มจากสัง่งยศสามเพิ่มการละกามาราคะความกำหนัดในกามและปฏิฆะความขัดใจรวมเป็นข้อที่สี่และที่ห้าเพราะสิ้นสังน่งยศห้าซึงเป็นพระอนาคามีประเภทใดประเภทหนึ่งในห้าประเภทคือหนึ่ง อุดทางโสโตอากะนิทคามีผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากะนิทะภพ 2. สสังคาระปรินิพายีดับกิเลสในภพที่เกิดต้องใช้ความพยายาม 3. อสังคาระปรินิพายีดับกิเลสในภพที่เกิดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามสี่ ปุหัตจากปรินิพพายีมีอายุเกินกึง่งจึงดับกิเลสเพ่งถึงกิเลสปรินิพานคำว่าดับกิเลสหมายถึงบรรลุอรหัตผล 5. อันตราปรินิพพายีมีอายุไม่ถึงกึง่งดับกิเลสได้อันหนึ่งคำอธิบายพระอนาคามีมีประเภทนี้ควรดูอัตฉริย บุคละบัญญัติในอภิธรรมมปิฎกประกอบด้วยเพราะดูเหมือนคำอธิบายของอัตถกถาอังคุตรนิกายตรงนี้คำบาลีเคลื่อนคลาดอาจทำให้ตีความหมายผิดแล้วตรัสแสดงถึงท่านผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะคือพระอระหันต์ว่าเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิและปัญญา ตรัสอธิบายการมีศีลสำรวมในพระปฏิโมกว่าเป็นอธิศิลัสิกขาการเจริญฌานสีว่าเป็นอธิจิตติสิกขาการรู้อริยสัจสีตามเป็นจริงว่าเป็นอธิปัญญาสิกขาอีกในหนึ่งสงแสดงการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะว่าเป็นอธิปัญญาสิกขา ตรัสสอนภิกษุกับสปัโคดผู้อยู่ในนิคมปังกทาถึงภิกษุที่พระองค์ตรัสสรรเสริญและไม่ตรัสสรรเสริญแม้เป็นภิกษุหนุ่มถ้าใครการศึกษาสรรเสริญการศึกษาชักชวนเพื่อการศึกษาเป็นต้นก็ตรัสสรรเสริญย่อความที่ห้าโลนะภะวั ว่าด้วยเมล็ดเกลือตรัสถึงกิจรีบด่วนของคู่ครองเรือนที่เป็นชาวนาสามประการคือการไถการปลูกพืชและการไขน้ำเข้านาเทียบด้วยสิกขาสามตรัสแสดงการบัญญัติปวิเวก ค, คือความสงัดสามประการของนักบวชละที่อื่นคือจีวรวิเวก ความสงัดจากกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะผ้านุ่งห่มปินทปาตวิเวกความสงัดจากกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะอาหารเสนาสนะปวิเวกความสงัดจากกิเลสที่เกิดขึ้นเพราะที่อยู่อาศัยโดยกำหนดการใช้ผ้านุ่งห่มการบริโภคอาหารที่อยู่อาศัยอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนปวิเวกในพระธรรมวินัยมีสามอย่างคือหนึ่งมีศีลลับความทุศีลได้สงัดจากกิเลสเพราะเหตุนั้น 2. มีความเห็นถูกลับความเห็นผิดได้สงัดจากกิเลสเพราะเหตุนั้น 3. สิ้นอาสวะลับอาสวะได้สงัดจากกิเลสเพราะเหตุนั้น ทรงแสดงการที่ภิกษุลักสังโยชน์สามได้ต่อมานำตนออกจากอภิชาคือความโลภและพยาบาทคือความคิดปองร้ายได้เจริญฌานที่หนึ่งได้ถ้าสิ้นชีวิตในสมัยนั้นก็จะไม่มาสู่โลกนี้คือสำเร็จเป็นพระอนาคามีทรงแสดงบริษัทสประการคือที่เลิศที่เป็นพักเป็นพวก ที่สามัคคีกันทรงแสดงม้าอาชาในที่ควรแก่พระราชาคือสมบูรณ์ด้วยผิวพันธ์กำลังและฝีเท้าเทียบด้วยภิกษุมีศีลมีความเพียรมีปัญญารู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงอีกในหนึ่งเทียบด้วยภิกษุมีศีลมีความเพียรละสังโยชน่าได้คือเป็นพระอนาคามี อีกในหนึ่งเทียบด้วยภิกษุมีเีนมีความเพียรทำให้แจ้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะทรงแสดงว่าผ้าเหลือกไม้แม้จะใหม่ปานกลางหรือเก่าก็มีสีสามมีสัมผัสหยาบมีราคาถูกถ้าเป็นผ้าเก่าเขาก็ใช้เป็นผ้าเช็ดหม้อหรือทิ้งที่กองขยะ เปรียบเหมือนภิกษุผู้ทุศีนไม่ว่าจะเป็นภิกษุใหม่ปานกลางหรือผู้เท่าการที่ทุศีนเทียบด้วยมีสีซามทำคนที่คบหาให้ขาดประโยชน์มีทุบเทียบด้วยมีสัมผัสหยาบการรับปั จ, จัยสีซึ่งไม่มีผลมากแก่ผู้ถวายเทียบด้วยมีราคาถูกส่วนผ้ากาสีตรงกันข้ามมีสีดี มีสัมผัสนุ่มนวลมีราคาแพงแม้เก่าแล้วเขาก็ใช้ห่อรัตนะหรือใส่ไว้ในกรักของหอมและส่งเปรียบด้วยภิกษุผู้มีศีลในทางตรงกันข้ามกับภิกษุผู้ทุศีลในที่สุดตรัสสอนให้เป็นอย่างผ้ากาสีอย่าเป็นอย่างภาพเปลือกไม้ ตรัสแสดงว่าบุคคลทำกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างเดียวกันแต่กรรมส่งผลให้บางคนไปสู่นรกบางคนได้รับผลในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยไม่มากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาหรือไม่เปรียบเหมือนเอามาเล็กเกลือใส่ลงไปในจอกน้ำเล็กๆน้ำในจอกนั้นก็เข้มได้ แต่ถ้าใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาก็ไม่เค็มเพราะเป็นห่วงน้ำใหญ่ทรงแสดงอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตของภิกษุผู้บำเพ็ญสมาธิว่ามีสามชั้นคืออย่างหยาบได้แก่ทุจริตกายวาจาใจอย่างกลางได้แก่ความตรึกคือวิตกในกามในการคิดปองร้าย ในการเบียดเบียนอย่างละเอียดได้แก่ความตรึกถึงชาติความตรึกถึงชนบทและความตรึกที่ไม่ต้องการให้ใครดูหมินเปรียบเหมือนเครื่องเศร้ามองของเงินทองมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดแล้วส่งแสดงถึงการที่จิตเป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นเหตุให้บรรลุอภินยาหกคือหนึ่ง อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้สองทิพยโสตหูทิพสามเจโตปริยญาณกำหนดรู้ใจผู้อื่นสี่ปุเพนิวาสานุสติญาณประลึกชาติได้ห้าจุตูปปตาตยานมีทิพยจักสุขเห็นความตายความเกิดของสัตว์ทั้งหลายและหก อาสวะคยัยานบรร ล, ลุเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวัทรงแสดงว่าภิกษุผู้บำเพ็ญสมาธิพึงใส่ใจนิมิตคือเครื่องหมายในจิตใจสามอย่างโดยการอันสมควรได้แก่สมาธินิมิตเครื่องหมายคือสมาธิหรือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งปักคาหานิมิตเครื่องหมายคือความเพียร อุเบกขานิมิตเครื่องหมายคือความวางเฉยถ้าใส่ใจแต่สมาธินิมิตอย่างเดียวจิตก็จะน้อมไปเพื่อความเกียดคร้านได้ถ้าใส่ใจแต่ปัจคาหานิมิตอย่างเดียวจิตก็จะน้อมไปเพื่อความฟุ้งซ่านได้ถ้าใส่ใจแต่อุเบกขานิมิตอย่างเดียวจิตก็ไม่ถึงตั้งมั่นโดยชอบเพื่อสิ้นอาสวะได้ ต่อเมื่อใส่ใจนิมิตทั้งสามโดยการอันสมควรจิตจึงอ่อนควรแก่การงานห่องใสตั้งมั่นโดยชอบเพื่อสิ้นอาสวะเปรียบเหมือนช่างทองที่หลอมทองเงินย่อมสูบหรือเป่าลมโดยการอันสมควรพรมน้ำโดยการอันสมควรวางเฉยโดยการอันสมควร